เดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จกิจิต16ไม่ตกกันดาลเรียกว่านิพพานก็ได้สำหรับวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็จะได้นำการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยยะมังคลโลเรื่องธรรมกายคืออะไรและพระอรหันต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายหรือไม่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 ของกายอันประเสริฐจึงชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพรมมภูตะนี่สมเด็จระสมมาสัมพุทธเจ้ า, าได้ทรงแสดงไว้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สิบเอ็ดหน้าเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดสิบหกซึ่งใน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 ซึ่งเป็นอายตนะที่ละเอียดเสมอกับอายตนะนิพพานอันเป็นที่ประทับของพระนิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ขีนาสบทั้งหลายที่เข้าอนุปาริเสสนิพานคือกายเนื้อแตกคำลายแล้วธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลของท่านที่สุดละเอียดจะไปปรากฏในอายตนะนิพพาน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 ก็สามารถที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะของอาญาตนะอินทรียได้ครับอันนี้หมายถึงทั้งในเอกสารอ้างอิงและจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติอครับเพราะฉะนั้นอย่างนีง้<ล><ส>ตรงกันตรงกันหมดครับแต่ถ้าเพียงแต่อา่านเนื้อความเฉยๆมักจะไม่เข้าใจนะคุณโยมักจะไม่เข้าใจแต่พอเข้าถึงรู้เห็นและเป็นผู้ที่เข้าถึงรู้เห็นและเป็นจะเข้าใจคำเหล่านี้ได้โดยชัดแจ้งทีนี้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 ในพระไตรปิฎกสักสองสามอย่างบางทีก็จะพอแน่ใจได้ว่าพระอาหารหันต์ต้องเป็นธรรมกายหรือเปล่า <Okay. S 1> ตัวอย่างแรกซึ่งอาตมาจะนำมาชี้ให้เห็น <Okay. S 1> ก็คือเอกสารที่ปรากฏอยู่ใน <Okay. S 1> ปฐมสมโพธิกาถามารพันธปริปรวัติ ปริเชตที่ยี่สิบแปดพระนิพน์ของสมเด็จกรมพระประมานุชิตชีโนรถเป็นคำแปลแล้วก็เรียบเรียงพูดอย่างง่ายๆถ้าภาษาธรรมดาเป็นคำแปลประถมสมโพธิกถาจากวรตถัยพิดกแล้วก็เรียบเรียงเป็นภาษาที่ดีมีความว่าในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า กำลังที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้ผูกพญามารชื่อว่าพญาวัศวดีมาระจญพระองค์จนพระองค์ต้องอาศัยบารมีอุปบารมีปรมัต a t b a r a ทั้งสิบทัศน์นั้นเอาชนะพญามารได้และได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้พวงไม้สีมหาโพ ในคืนวันเ็นเดือนหกดังที่ทราบกันอยู่ทั่วๆวไปแล้วทีนี้ต่อมาภายหลังในสมัยพระเจ้าโซกธรรมมาธิราชก็รุวมร่วมร้อยปีในสมัยนั้นพระเจ้าโซกธรรมมาธิราชได้ทราบซึ้งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ ก็ได้พยายามสร้างสถูปเป็นจำนวนมากสิ้นเงินสิ้นทองไปมากมายทีเดียวแต่ว่าการสร้างนั้นนะสาเร็จด้วยยากเพราะพญามาร น, นี่แหละยังติดตามระจญ ข, ขัดขวางเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิะจญขัดขวางการสร้างพระสถูปการสร้างบุญสร้างผูศสของพระเจ้าโศกธรรมธิราชเป็นอันมากทีนี้ในโอกาสนั้น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 ถึงกับตั้งจิตอธิษฐานขอบำเพ็ญบารมีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทีนี้เรียกว่าก่อนจะจากกันว่าอย่างนั้นเถิดพระอุปคุตนี่ไม่เคยได้เห็นพระวรกายเนื้อของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าและพระอรหันต์ขีนาศพเคยเห็นแต่พระธรรมกายนี่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 กับทั้งพระอัครสาวกทั้งคู่ให้ปรากฏด้วยฤทธิ์แห่งท่านการบัตรเดี๋ยวนี้เถิดนี่พญามารก็เนรมิตพระวรากายเนื้อให้เห็นให้เห็นชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ารูปร่างอย่างนี้พระอรหันสาวกมีอย่างนี้อย่างนี้แต่ในความตรงนี้ให้สังเกตให้ดีว่าพระอุปกุตได้เห็นแต่พระธรรมกายแต่ไม่เคยได้เห็นพระวรากายหรือรูปกาย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 ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตนี่ได้พบแล้วพบอย่างไรพบมีธรรมกายของตัวเองก็เห็นธรรมกายของพระพุทธเจ้าได้นี่แต่ว่าไม่ได้เห็นรูปกายจึงได้ขอให้พญามานซึ่งเคยเห็นพญามานยังไม่ตาย เ, เป็นเทพนี่เป็นเทวดาชั้นสูงอายุา ย, ยืนก็จำได้ว่ารูปร่างอย่างไรอย่างไรก็เ น, เ น, ร, เนรมิตกายให้ดูได้นี่เป็นเอกสารสำคัญข้อที่หนึ่ง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 พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงพุทธศักราช2514เล่มที่26หน้า334อันนี้ความนี้ชัดเจนว่าเมื่อก่อนเราผู้ชื่อว่าสระพังคะไม่เคยได้เห็นโรคคืออุปทานขันห้าครบบริบูรณ์ทั้งสิน้นโรคนั้นอันเราผู้ทมตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้เห็นแล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสปูพระกะกุสันโธพระโกนาคัมณะพระกัจสปะได้เสด็จไปแล้วโดยทางใดแรงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็ได้เสด็จไปแล้วโดยทางนั้นพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์นั้นทรงปราศจากปัญหาตันหาไม่ทรงถือมั่นทรงยั่งถึงความสิ้นกิเลสเสด็จอุบัติแท้โดยธรรมกายนี่แหละธรรมภูตะ หรือพรหมภูตะผู้คงที่ทรงเอนดูอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้ทรงแสดงธรรมคืออริยสัจสี่อันได้แก่ทุกขเหตุเกิดทุกข์ความดับทุกขทางเป็นที่สิ้นทุกขเป็นทางไม่เป็นไปแห่งทุก์อันไม่มีที่สุดในสงสารเพราะกายนี้แตกและเพราะความสิ้นชีวิตนี้ความเกิดในภพใหม่อย่างอื่นมิได้มีเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากสัพพอิเลสทั้งควง คือได้เห็นแล้วก็แปล ว, ว่าท่านได้เห็นได้เป็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท่านได้รู้เห็นอย่างนั้น <S S S S พระพุทธเจ้าทั้งหลายในถอยหลังในอดีตไปมีเท่าไหร่เป็นธรรมกายทั้งสิ้น <S S S> ท่านสระพังคะมหาเถระนี้ก็ได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้วก็เป็นธรรมกายเหมือนกัน <S S S ยังมีอีกมีหลักฐานอีกมากมายว่าพระอรหรันต์ขีณาศพก็ดีพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี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 แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าจะถามอาตมาก็ตอบไม่ได้ครับว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงไม่มีว่ากันโดยแท้แล้วผู้ปฏิบัติธรรมที่จะก้าวล่วงเข้าสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงพระอรหันตพระอรหรันต์จะต้องรู้เห็นเข้าถึงและเป็นธรรมกายซึ่งชื่อว่าพระนิพพานสําหรับพระอรหรนะันต์ ซึ่งชื่อว่าพระนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วทั้งสิน้นเพราะพระพุทธองค์ได้ประกาศได้ทรงประกาศว่าพระองค์เป็นธรรมกายรพระอรหันต์ทั้งหลายต่างรับรองพระแม่นามหาปชาบดีโคตมีได้แสดงเลยว่าธรรมกายของพระพร ะ, พระองค์ท่านอันสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทร ง, งให้เกิด ทรงให้เกิดคือพระแม่นานี่อายุมากกว่าแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงให้เกิดได้อย่างไ ร, รแต่ทรงทำให้เกิดหรืออุบัติเกิดในนี้หมายถึงอุบัติไม่ใช่เกิดพบเกิดชาติเพราะอาวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ธรรมกายอุบัติขึ้นเรียกว่าธรรมภูตะหรือพรมภูตะนั่นแหละแปล ว, ว่าพระอาหารหันต์เป็นธรรมกายทั้งสิ้นไ ม, ไม่ได้มีเป็นอย่างอื่นเลยทโยมครับท่านผู้ชมก็คง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 มีแต่ว่าจิตใจนั้นได้รับการพัฒนาสูงขึ้นจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นเลยแต่ทีนี้ที่มีปรากฏการเกิดขึ้นในบางกรณีในบางสำนักว่าเมื่อปฏิบัติภาวนาธรรมไปแล้วพบว่ามีคนบางคนมีอาการทางจิตไม่ค่อยจะดีความจริงน่ให้ไปสืบถามดูให้ดีเถอะ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 ไม่มัชฌิมาปฏิปทาโดยอาการเช่นนั้นทําให้ใจิตใจบังคับจิตใจให้ฟุ้งซ่านหนักขึ้นไปอีกครับ <c oughs> บางคนถึงขนาดว่าไม่กินไม่นอนในอาการเช่นนั้นจิตใจจะฟุ้งซ่านมาก <c oughs> เพราะมันเป็นการทรมานทั้งสังขารร่างกายและจิตใจแทนที่จะสงบไม่สงบกลับฟุ้งซ่านหนักไปอีก <c oughs> อย่างนี้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 มีแต่ดีกับดีเพราะใจยิ่งสงบมันจะเป็นโรคจิตโรคประสาทได้อย่างไรครับครับท่านผู้ชมครับก็คงจะต้องแยกแยะประเด็นให้ใช่เห็นว่าคือดูถึงสาเหตุต้นเหตุนะฮะอย่าไปดูที่ปลายเหตุใช่ครับหลวงพ่อว่าอย่าไปดูปลายเหตุว่าคนนี้เป็นบ้าใย่ไปดูว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรก่อนอาจจะมีเชื่อมาก่อนบ้างใช่แล้วก็ดูอาจารย์ผู้สอนว่าถูกต้องตามตรงสายหรือไม่ใช่แล้ววิธีปฏิบัตินั้น มัชชิมาปฏิพดาพอดีหรือไม่ใช่ไมใช่ครับมีอีกนิดนึงขอแถมหน่อยอีกสิ่งหนึ่งคืออาจจะมีวิบากกรรมเก่าของเขาอ๋อครับอันนี้เช่นคนบางคนเนี่ยเคยดา่าเคยว่าคนเป็นอาจินครับก็ไปติเตียนไปดา่าไปว่าพระอริยเจ้าหรือผู้มีจิตใจบริสุทธิ์เขา้าครับสิ่งนี้จะส่งผลครับให้มาเป็นวิบากหรือให้ผลกรรม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 สําหรับเรื่องวิบากกรรมนี้จะแก้อย่างไงครับคือหรือทําอย่างไรถึงจะปฏิบัติได้ตรงสายก็พยายามทําดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดในศีลในสมาธิในปัญญาในวิบูติอมุติญาทัศนะเดินสายกลางอย่าหย่อนนักอย่าตึงนักก็ช่วยได้พี่โยมคำแนะนําที่ถูกต้องเป็นเรื่องสําคัญครับทีนี้แม้คําแนะนําถูกต้องแล้วสิทธิ์จะต้องทําให้ถูกต้องตามคําแนะนํานั้นด้วยบางทีครูแนะนำกลตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสน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 ให้แก่ศิทธยานุสิทธตได้สืบทอดสืบต่อกันมาจเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันและพระเดศพระคุณหลวงพ่อท่านยังเคยได้ปรารภไว้ว่าต่อไปทั่วประเทศไทยจะปฏิบัติแบบวิชาธรรมกายเพราะวัดปากน้ําภาษีจเจริญกรุงเทพนั้นได้หลักแล้วหลวงพ่อท่านพยากรณไว้อย่างนั้นและตอนนี้วิชาธรรมกายก็กําลังจเจริญรุ่งเรืองอยู่